ยิ่งเจ็บแค้นมากแล้วอภัยได้ฤทิ์ของเมตตาจะยิ่งสูงและมีส่วนดลใจเขาให้เปลี่ยนความรู้สึกได้มากวิธีที่จะทำให้คนสานึกผิดมีสองทางทางยุติธรรมแบบโลกโลกคือพึ่งสารผูกเวรกันต่อทางยุติธรรมแบบธรรมะคือพึ่งจิตคิดอภัยเลิกผูกเวรกัน การลงโทษมีหลายแบบถ้าใจคุณอภัยจริงแล้วลงโทษก็มักมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นแต่หากยังคุมแค้นแล้วลงโทษผลมักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงเช่นถ้าเป็นความผิดสถานเบาจิตที่อภัยแล้วจะพูดตําหนิด้วยน้ําเสียงเจอเมตาก่อให้เกิดปฏิกิริยาในทางสํานึกผิดส่วนจิตที่ยังคุมแค้น จะด่าทอรุนแรงด้วยเสียงแข็งกระด้างก่อให้เกิดปฏิกิริยาในทางเข้าข้างตัวเองอยากเอาชนะหลายครั้งถ้าอยู่ในขณะจิตที่เปี่ยมเมตตาแค่ลงโทษ ด, ด้วยรอยยิ้มและแววตาเห็นใจคุณก็ทำให้ใครละลายคนเขาอ่อนด้วยใจสำนึกไม่อยากทำผิดอีกทั้งที่ยังไม่ทันพูดสักคำทางลัดหน่อยคือ คุณต้องคิดให้อภัยเขาบ่อยๆทุกวันกระทั่งเกิดกระแสะเมตตารินจากจิตคุณมากชนิดท่วมทนตรงนั้นอาจอาศัยฐานเมตตาเป็นที่ตั้งและอธิษฐานขอให้เขาเปลี่ยนแปลงมีจิตใจที่นุ่มนวลลงมีความคิดที่ถูกที่ชอบมากขึ้นถ้าเห็นเขาว่าเป็นจริงขึ้นมาบ้างก็ยอดคำพูดดีๆ้าให้เขาเกิดความเข้าใจวละเล็กวละน้อย อย่ายัดเยียดอะไรแบบรวดเดียวยาวๆเขาไม่มีทางฟังหรอกครับคนเราถ้ายิ่งเจ็บแค้นเท่าไรและอภัยได้แผ่เมตตาได้ฤทธิ์ของเมตตาจะยิ่งสูงและมีส่วนโดนใจให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกได้มากแต่ต้องใช้กำลังใจยิ่งใหญ่จริงๆถึงจะอภัยอย่างบริสุทธิ์หมดจดและเห็นผลลัพธ์เป็นปฏิกริยาของอีกฝ่ายชนิดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ผลเพราะอาภัยแบบแกล้งๆฝืนๆหรื อ, อยังเจอพยาบาทอาฆาตหากใครบอกว่าฝึกแผ่เมตตาแล้วไม่สำเร็จเป็นของยากก็ขอให้ลองตั้งใจพูดดีพูดให้คนอื่นเรื่อนหูพูดให้คนอื่นเป็นสุขมีความสามัคคีกลงเกลียวกันมากๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีตั้งใจไว้เลยว่า คำที่ออกจากปากเราจะมีแต่กลิ่นหอมหวนนุ่มนวลสนอสดไม่เหม็นเนา่าไม่แหลมระคายแก้วหูใครถึงวันหนึ่งหากสมัมผัสรู้สึกได้ว่ามีกระแสความปรารถนาดีจริงใจแผ่นำออกไปก่อนพูดก็ให้ทราบเด็ดว่าอันนั้นหละคุณเป็นนักแผ่เมตตาผ่านคำพูดแล้ว